สำนัวหรือคำขวัญที่เคยได้ยินสมัยก่อนตอนเด็กๆชีวิตคือการต่อสู้สัตว์ตคือยากำลังสัตว์ในที่นี้คงไม่ใช่หมายถึงผู้คนอย่างเดียวนะแต่คงหมายถึงอุปสรรนคะความยากลำบาก เป็นยากำลังเป็นยากำลังเสริมกำลังให้กับการต่อสู้ต่อสู้กับอะไรนะอันนี้ก็มองไปได้ไหลายแง่ต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วก็ได้ เพราะคนเราก็มีทั้งดีและชั่วอยู่ข้างในใจมันก็เวลาจะทำอะไรบางครั้ก็มีสองจิตสองใจนะระหว่างความดีกับความชั่วหรือระหว่างจิตใจไฟสูงกับไฟต่ำเช่นความคียันกับความขี้เกียจกแค่จะตื่นนอนแต่เช้าขึ้นมาเนี่ก็ มันก็ต้องสู้กันแล้วนะระหว่างความง่วงนะกับความตื่นตัวหรือว่าความขี้เกียจความพยันระหว่างวินยัยนะความรับผิดชอบนะกับความเหงนแก่ตัวเห็นเก่วความสบายอันนี้มันก็เป็นการต่อสู้ที่ทจะเรียกว่า ดำรงอยูนะ่ทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้โดวยก็าสรับปุตตชนนะถ้าเป็นพระยศเจ้าพระอรหันตก็เรียก ว, ว่าไม่ต้องต่อสู้แล้วนะจบ ก, กิจแล้วความฝ่ตาหรือว่าความชั่วมันก็ไม่มีที่ตั้งแต่ถ้าเป็นปุตตชนอยู่ก็ต้องต่อสู้ กันไปเรื่อยๆบางคนก็อาจจะชนะนะตอนตอนเด็กอตอนเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าพอเข้าสู่วัยกลางคนก็อาจจะพ่ายแพ้ก็ได้นะเช่นพอมีเงินมีทองมีหน้ามีตามีชื่อเสียงมีอำนาจนะ ความความชั่วหรือความฝ่ต่ำนะหรือว่ากิเลสตัณหามกเข้ามาเข้ามาครอบอาจิตใจอันนี้ก็มีตัวอย่างเห็นเยอะนะโดยเฉพาะในในแวดวงการเมืองนะหรือว่าในแวดวงของคนที่มีอำนาจตอนหนุ่มหนุมก็ มีอุดมการ์แต่ว่าพอแดมหน้ามีตำแหน่งสูงก็ก็กลายเป็นคนที่เห็นกับตัวทำแต่ประโยู่ของตัวหรือพวกพ้องจ่คนทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันบางคนก็ก็มีศีลห้า ดีนะตลอดแต่พอแก่ตัวก็เริ่มเพี้ยนนะสิงข้อสามก็ระบบพร่องเนะอย่างที่เคยมีคําว่าเนี่ยเท่าตันหากลับนะพอแก่ตัวก็ทิ้งลูกทิ้งเมียนะไปอยู่กับเขาเรียกว่าอินหนอะไรเงี้ยนะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวปั่นปวดไปหมดนะอันนี้เรียกว่าพ่ายแพ้นะตอนแรกก็ ก็ดีอยู่นะตั้นตหลังก็ภายแพ้ภายแพ้ต่อความช่วยแล้ต่อกิเลสตัณหาหรือจะมอีกแง่หนึ่งก็ได้ว่าชื่อมันคือการต่อสู้ระหว่างปัญญากับอวิชชานะปัญญากับวิชาหรือความรู้ความหลงนะอันนี้ก็จะกว้างกว่านะเพราะว่าเรื่องความดีนะมันก็ในทางภสาศาสนามก็เป็นส่วนหนึ่งของ หรือสืบเนื่องจากปัญญาความชั่วงันสืบเนื่องความหลงที่วันเห็นกงจับเป็นดอกบัวเนี่ยเห็นกงจับเป็นดอกบัวแล้วก็ก็เห็นว่าความชั่วเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ปัญญากับวิชาความรู้ความหลงอันนี้เราจะว่าไปแล้วนี่มันก็มันก็มีการต่อสู้ตลอดเวลานะถึงแม้ว่าเรียนสูงถึงแม้คนทุกวันนี้เรียนสูงนะ มีความรู้เยอะนะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี่จบมสามก็ถือว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวนี้ต่อมาก็ต้องจบปริญญาตรีแต่ตอนนี้ถ้าทำมากแลไวก็ต้องจบโทนะก็เหมือนกัว่าคนเราก็มีความรู้มากขึ้นแต่ว่าความหลมก็ไม่ยอมแพ้มันก็พยายามเข้ามาครอบงำช่วงชิง จิตใจของผู้คนอย่างถ้าเราพิจารณาลองสังเกตดูหรือค่อยครวนดูเนี่ยถึงแม้ว่าทุกวันนี้มีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าความหลมก็ไม่ได้ลดลงเช่อนอาจจะรู้ในเรื่องของรู้ว่ามนุษย์นี่มีความเป็นมาอย่างไรนะโลกเกิดมาจากไหนนะอายุเท่าไหรนะ่ มีความเข้าใจเรื่องจั ก, กรวาลแต่ความรู้มากมก็จะตามมาด้วยความหลงที่มากาเช่นรู้เรื่องโลกเยอะวิทยาศาสตร์มากแต่ว่าไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเห็นว่าบาปและบุญไม่มีอันนี้ก็เรียกว่าหลงนะรู้ว่ารู้ว่าโลกนี้ไม่มันไม่แบนโลกมันกลมนะ อันนี้ก็เป็นความรู้ที่ปฏิเสธไม่ได้แต่มันก็อาจจะมีความหลงอย่างอื่นตามมาเช่นเห็นว่ากรรมดีกรรมชั่วไม่มีอันนี้ก็เป็นความหลงได้หรือว่าทุกวันนี้เนี่ยคนก็มีความรู้นะทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งทางโลกรอบตัวมากนะแต่ว่าก็ไป หลงบูชาพระลาหูหรือว่าบางทีก็ไปบูชาชูชกเนี่ยกราบไหว้ชูชกอันนี้ก็เป็นความหลงนะในยุคที่เรียกว่าเป็นยุคแห่งความรู้มันไม่ใช่แปลว่ารู้มากๆแล้วเนี่ยความหลงจะน้อยลงนะเพราะความหลงก็มันก็ไม่ยอมแพ้ คนเรารู้ในเรื่องหนึ่งแต่ว่าหลงอีกเรื่องหนึ่งก็ได้แล้วเป็นงนี้เยอะด้วยคนที่จบปริญญาเอกด้านวิศวะด้านวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์แต่าอาจจะหลงในเรื่องของศาสนาไม่มีความรู้งมงายในใสายศาสตร์ก็ได้นีนี้ก็เห็นเยอะในะความหลงมีข่าวอยู่เป็นประจำเดี๋ยวไปเจอ ลูกไฟที่นอนที่นี่บ้างนะหรือว่าไปเจอเห็นผีถ่ายรูปติดผีแหงตาเนี่ยอันนี้ก็เป็นความหลงนะที น, นี้ความหลงก็ไม่เกี่ยวกับศาสนาก็ได้นะไม่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องลี้ลับอะไรนะเช่นความหลงว่าเนี่ยคนอเมริกานี่ก็หลงมากนะ ความรู้เยอะแต่ก็หลงมากเช่นในหลงว่าเนี่ยสาประชาชาตินี่เป็นเป็นขบวนการเป็นองค์กรของคอมมิวนิสต์เนี่ยที่ต้องการมายึดโลกในคนเชื่อในนี้มีเยอะมากเนีในอเมริกาเนี่ยถึงแม้คอมมิวนิสต์นี่มันก็จะหมดเรี่ยวหมดแรงไปเยอะแล้วแต่ก็ยังคิดว่ามันเนี่ยมันเป็นองค์กรที่มีพวกคอมมิวนิสต์อยู่เบื้องหลังจะมายึดครองโลกจะมา ิอเมริกาฉนั้นอเมริกาจะไปสนับสนุนในสชาธารณชาติมากอีกพนก็บอลนี้มีความรู้ก็เยอะนะแต่ว่าก็ไปคิดว่ายูเเนี่ยนะมันอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้มันมีขบวนการองค์กรของยูที่ต้องการปกครองโลก อันนี้ก็เชื่อกันหัวปักหัวปังมันไม่น้อยทีเดียวอันนี้มันก็แสดงว่าถึงแม้นคนเรามีความรู้มากขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าความหลงมันจะลดลงนะมันก็ช่วงชิงต่อสู้กันไปมาเนะี่ยระหว่างความรู้ความหลงนะแล้วมันก็ไม่แปล ว, ว่าความหลงจะพ่ายแพ้นะเมื่อโลกพัฒนามากขึ้น มองในระดับบุคคลนก็เห็นคนเราถึงแม้มีความรู้มากขึ้นจบปริญญาเอกนะแต่ว่าที่หลงก็ไม่น้อยทีเดียวนะหลงในที่นี้มันไม่ได้แปลว่ามีความเชื่อผิดๆเท่านั้นนะแต่จะหมายถึงความลืมตัวก็ได้นะลืมตัวนี่ก็เป็นหลงแบบหนึ่งอาจจะหลงในอารมณ์นะ เวลาเวลากโกรธนะมันก็ลืมตัวหรือเวลาอยากเกิดตัณหาราคะขึ้นมาก็ลืมตัวความหลงที่มันก็ฉลาดนะมันถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเรามีความรู้มากเท่าไหร่นะมันก็จะพยายามมาแทรกซึมหรือว่าจู่โจมนะ ในในเรื่องอื่นๆถ้าถ้าเทยา ว, ว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเมืองนะมันก็เรียกว่าบางครั้งความรู้หรือปัญญามันก็ครองใจแต่บางครั้งก็พ่ายแพ้ต่อต่ออวิชชาหรือพ่ายแพ้ต่อความหลงมัน เมืองเมืองนี้เนี่ยมันเรียกว่าผัดกนแพ้แผกันชนะระหว่างปัญญากับวิชาระหว่างรู้กับหลงรู้ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงปัญญาเท้านั้นแต่หมายถึงว่าความรู้ตัวก็ได้นะรู้ตัวความรู้ตัวแบบนี้ความรู้ตัวที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็ต้องอาศัยสติถ้ามีสติรู้ทันความคิดไม่ปล่อยให้ จิตใจจมไปในความคิดหรือว่าหลงไปในความฟุ้งซ่านเนี่ยสติพาจิต ก, กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็มีความรู้สึกตัวขึ้นมามความรู้สึกตัวนี่เราก็เรียกว่าเป็นความรู้อีแบบอีกอย่างหนึง่งแต่มันไม่ใช่ความรู้ที่อยู่ในหัวสมองนะความรู้ทางโลนเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการจดการจําอาศัยการอ่านตามหลักตำราแต่ว่ารู้ในที่นี้หมายถึงรู้ รู้ด้วยใจเนี่ยใจเมื่ออยู่กันเนื้อกับตัวนะมันก็รู้สึกตัวรู้ตัวความความว่ารู้นี่มันก็มีความหมายกว้างนะรู้ด้วยสติหรือด้วยปัญญาก็ได้บางครั้งเนี่ยเราก็รู้ตัวนะแต่ว่าบ่อยครั้งก็ลืมตัวเผลอนะใจนี่มันจมหายไปจมหายไปในอารมณ์ หรือว่าถูกครอบงำด้วยอารมณ์นะมีอารมณ์เมื่อไหรเนี่ยนะมีอารมณ์เกิดขึ้นอันนั้นจะไม่เท่าไหร่นะถ้าเห็นมันนะแต่ส่วนใหญ่ไม่เห็นนะไม่รู้ทันมันก็ปล่อยใจให้จงเข้าไปในอารมณ์นั้นมันก็มันก็หลงแล้วแหละไม่ว่าดีใจหรือเสียใจก็จะหลงดีใจเนะ น, นี่ยอันเนี้ยหลงเสียใจเวลาดีใจแล้วก็ปล่อยใจเคริ้ม คนหลายคนนี่เวลาดีใจนี่โอ้ยคุยไม่หยุดเลยนะี่คุยฟุ้งไปหมดนะหยุดไม่ได้อันนี้ก็เราว่าลืมตัวนะเ ว, เวลาเวลาเศร้าซ้อยหงอยเงาที่ก็นิ่งเงียบไม่พูดไม่จาหน้าบึ้งเนี่ยตรงข้ามกับตอนดีใจนี่ก็หลงนะอันนี้เราไม่รู้ตัวดีใจก็หลงเหมือนกันนะ ถ้าไม่เห็นมันหรือไม่รู้ตัวเสียใจก็หลงเหมือนกันนะถ้าไม่รู้ทันเ<ม>นี่ยรู้กับหลงนี่มันเรียกว่าต่อส่วนนะเมื่อใดก็ตามที่ใจเราเมื่อใดก็างที่เรารู้ตัวมนะันก็ไม่หลงเมื่อใดก็ตามที่หลงก็ไม่รู้ตัวนะอันนี้เราก็นะคนที่มีความเข้าใจเรื่องนี้ก็พยายามที่จะ พยายามที่จะเพิ่มรู้ให้มากขึ้นเพิ่มรู้ให้มากขึ้นก็มันก็ทำได้หลายอย่างนะเช่นศึกษาหาความรู้มากขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นหลักประกันนะก็มีการพูดกับการ ศ, ศึกษาคือการทำให้ฉลาดในเรื่องหนึ่งแล้วก็ทำให้โงอ่อีกเรื่องในเรื่องอื่นนะอันนี้มักจะเกิดขึ้นนะเราเห็นได้ง่ายๆนะคนที่ฉลาดนะในเรื่อง ในเรื่องทางโลกก็อาจจะโง่ในเรื่องทางธรรมก็ได้นะเคยเจอศาสตราจารย์ทางด้านสยตสาสนะ์โอ้แกรู้เยอะมากเขีนหนังสือมาเยอะแต่พอคุยเรื่องาศาสนาพุทนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วก็รู้แบบผิดๆ ด, ด้วยเหมือนกับมีความเข้าใจเมื่อคนตามตลาดเลยนะไม่ได้มีความรู้มากอะไรเลยก็ต้องอธิบายนะว่า ในว่าเรื่องพระเรื่องเรื่องศาสนาเนี่ยในพุทธศาสนานี่มันความจริงมันเป็นอย่างไรไอท้ทีแก่เห็นที่เข้าใจแกเข้าใ จ, าใ จ, าใจมันเป็นภาพจากสื่อบ้างแล้วจากความเข้าใจแบบผิผืผ๊เผินบผืในเรื่องเศรษฐาสตรนี่รู้มากนะระดับอินเตอร์แต่ว่าในเรื่องธรรมะหรือพุทธศาสนานี่ก็ระดับชาวบ้านจบปอีนั่นแหละ อันนี้เจอเยอะนะหรือคนที่รู้ธรรมะเยอะนะแต่ว่าเรื่องทางโลกนี่ไม่ปร ะ, ประสีภาษาเลยก็มากนะการศึกษาคือการทําให้ฉลาดในเรื่องหนึ่งแล้วก็ทําให้โง่นะในเรื่องอื่นเพราะนั้คนที่คนที่เวลาวพคเขามีความรู้ความรู้เนี่ยก็ถามว่ารู้เรื่องอะไร พราคนเราไม่สามารถจะรู้ทุกเรื่องได้โดยว่าสมัยนี้ความรู้มันหลากมันแตกกระจายขยายเป็นกิ่งก้านมากหลายสาขาคนสมัยก่อนเนี่ยัศศี่ห้าร้อยปีเนี่ยนะเวลาจะรู้เขาไม่ได้รู้เรื่องเดียวเขารู้หลายเรื่องทีเดียวนะอย่างเช่นดาวินชีเนี่ยรู้ทั้งศิลปะรู้ทั้งวิทยาศาสตร์รู้ทั้งวิศวกรรมรู้ทั้งเรื่องของอร่างกายอนาตมี เพราะสมัยก่อนความรู้มันน้อยคนนึงก็สามารถจะรู้แต่แ้าทุกเรื่องก็ได้เพราะแค่หนังสือเนี่ยมันก็ทั้งโลกเนะหรือทั้งประเทศก็มีแค่ไม่กี่ร้อยเล่มนะอ่านจบได้ในชั่วยุคนหนึ่งนะอ่านทุกเล่มไม่จบในชั่วยุคนหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เป็นไปไม่ได้แนละ้วความรู้มันก็มันหลากหลายแตกแขนงไปมากมายบางคนก็จะรู้ได้เฉพาะบางเรื่องหรือไม่กี่เรื่องเท่านั้นนหะ และไอ้เรื่องอื่นก็กลายเป็นโง่ไปนะเพราะว่าไม่มีเวลาศึกษาแต่นั่นเป็นเรื่องความรู้ทางทางสมองนะแต่ว่าพูดถึงความรู้ตัวเนี่ยนะความรู้ตัวหรือความรู้ตัวทั่ว h พร้อมเนี่ยมันมันไม่ได้อ่านจากตำรามันต้องเกิดจากการปฏิบัติเรากันอย่างเช่นการเจริญสติตนี่ก็เป็นการนะเป็นการเพิ่มตัวรู้ให้มากขึ้นนะคนที่ปฏิบัติมา ก, ก็จนรู้แล้วมัน มันมันมีการต่อสู้กันชัดเจนนะระหว่างรู้กับหลงนะคือพอตั้งใจจะรู้แล้วปรากฏว่าโนมันหลงทั้งนั้นเลยยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมตามลมหายใจนะชั่วโมงหนึ่งมันก็หลงไปแล้วเนกะ้าสบเก้าเปอร์เซ็นเก้าสิบเก้าเซ็นคือความหลงนะคือใจลอยคิดหน่นคิดนี่ก็คือสู้นะพยายามที่จะเพิ่มตัวรู้ให้มากขึ้นเจริญสติมากขึ้น ตัวรู้ ก, ก็เพิ่มขึ้นเป็นห้าเปอร์เซ็นตต่อมาก็สิบเปอร์เซ็นยี่สิบปอร์เซ็นต์แมันมีจุดหนึ่งแล้มันมีการยืดยุดกันนะระหว่างรู้กับหลงเหมือนกับว่ามันใจเรานี่มันถูกยะถูกล่าถูกดึงมือขวาก็ถูกความหลงดึงมือมือซ้ายก็ถูกตัวรู้มันดึงมันจะมีช่วงในสื่อเงั้นเลยมันยืดยุดกันนะจิตใจเราถูกยืดยุดระหว่างรู้กับหลงนะ มันมือนก็ว่ามันจะเบลเบลนั่นะนะจะรู้ก็ไม่ใช่จะหลงก็ไม่เชิงนะมันจะมีอยู่ภาวะหนึ่งทึงไอ้ตอนนั้นแหละเป็นภาวะที่แสดงว่าเริ่มก้าวหน้าแล้วนะการปฏิบัติเริ่มเห็นผลแล้วเพราะว่าแต่ก่อนนี่มันหลงแต่พึ่ตะพืนนะหลงควอมเห็นได้เพาความหลงมันมีน้ำหนักนะความหลงมีน้ำหนักยกมือประเดี๋ยวเดียวไปแล้วหลงแล้ว ตอนยังกลมแค่สองสามเก้านี่ไปแล้วหลงแล้วแต่ตอนหลังนี่ทำไปทำไปนี่ความรู้ตัวรู้มันก็มากขึ้นมันก็เริ่มมีกำลังที่จะดึงดึงจิตออกจากความหลงแต่ดึงไมได้สักพักเดี๋ยวก็หลงก็ดึงกลับไป ก, กลับไปหลงใหม่รู้ตัวไปเดี๋ยวเดี๋ยวลหลงใหม่แต่พอทาไปทาไปเพิ่มตัวรู้มากขึ้นรู้รู้รู้รู้รู้นะยกมือก็รู้นะ ยกซ้ายก็รู้ยกขวาก็รู้เดินก็รู้นะรู้โดยไม่เพ่งนะมันก็จะตอนนี้ก็จะเริ่มตัวรู้ก็เริ่มมีน้ำหนักแล้วก็เริ่มที่จะสามารถจะดึงจิตออกมาจากตัวหลงได้เแล้วถึงจุดหนึ่งมันก็จะพอแัดพ่พอเบี่ยงกันแล้วก็จะเกิดการยืดยุทุกชาติอนะ่จิต ก, ก็ ภาวะนี้ก็จะงงงงใ้ตรงนี้ตัวเราลื้อรู้หรือหลงนะแล้วถ้าปฏิบัติต่อไปแล้วปฏิบัติถูกมันจะรู้มากขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะดึงเจรกับความหลงได้แต่มันก็ชั่วครั้งชัวคราวนะเพราะเดี๋ยวไอ้หลงนี่มันก็ไม่ยอมแพ้ก็ดึงใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราบุตรชนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ตัวละเปอเซ็นนะแต่ว่ามันมีแนวโน้มที่จะรู้มากกว่าหลง แต่ความลลมก็ฉลาดนะมันก็พยายามที่ฉวยโอกาสอยู่เสมอหาโอกาสมามามาแย่งชิงจิตใจไปแม้แต่เวลายกมือสร้างจังหวะเนี่ยพอยกมือสร้างจังหวะไปจนชินนะจนเป็นนิสั ย, น, ย น, นะจนนะบางทีอยู่ยเฉยๆเนี่ยนะมันก็เผยยกมือขึ้นมาเองมีนักปฏิบัติหลายคนนะ พออยู่นิ่งๆเนี่ยมันยกมือแล้วแต่ไม่ได้ยกมือด้วยความรู้ตัวนะมันเผลอยกนะเมื่อคนที่ที่แรกก็กระดิกขากะดิกขาด้วยความตั้งใจนะแต่ว่าพอกระดิกไปนานๆ น, านี่เวลานั่งเฉยๆมันกระดิกเองนะอันนี้เรียกว่าถูกความหลงนะถูกความหลงเข้าไปคร่อมงำใจแล้วคือมันกระดิกเท้าด้วยความเคยชนินนี่เรียกว่าทำด้วยความหลง นักปฏิบัตินะก็เหมือนกันนะพอทำปฏิบัติเป็นนานๆเนี่ยมันเผยยกมือขึ้นมาเองแต่ใจนลอยใจคิดน้นคิดนี้แต่มอือยกนะอันนี้ก็เรียกว่าโดนความหลงนี่มันเล่นงานแลนะ้วทีแรกเรายกมือเพื่อให้มีให้มีตัวรู้ไปสู้กตัวหลงนะแต่ว่าพอเผยเมื่อไหร่ตัวหลงนี่เข้ามาเลยนะกลายเป็นว่า ยกมือสร้างจังหวะด้วยความหลงอันนี้เรียกว่ามันมันช่วงชิงนะนะมันช่วงชิงเหมือนก็ว่าเคยมีอาวุธไปสู้กับกับศัตรูเนี่ยจะเป็นปืนใหญ่จะเป็นระเบิดก็ตามแต่ตอนนี้ศัตรูมันแอบลอบเข้ามาแล้วก็คว้าปืนใหญ่หรือว่าระเบิดนี้นะคว่างใส่เจ้าของเองความหลงก็ฉลาด น, นะมันก็มันก็สามารถที่จะมา ใช้การสร้างจังหวะเนี่ยเป็นการเพิ่มตัวหลงให้มากขึ้นคนนี้ไม่ค่อยรู้ทันนะเนี่ยตัวหลงนี่มันใช้การสร้างจังหวะหรือใช้การเดินโยงกลมนี่เป็นการเพิ่มตัวหลงให้มากขึ้นนะมันก็เป็นอุบายนะเป็นความฉลาดของตัวหลงนะซึ่งมันก็จะมาในหลายรูปแบบเหลือเกินนะแล้วก็ต้องต้อง ต้องเผลอไม่ได้นะมันต้องอการการเจริญสติจึงต้องทำสม่าเสมอนะแล้วก็จะไปเพึ่งเอาเอาการปฏิบัติในรูปแบบก็ไม่ได้นะการปฏิบัติในรูปแบบนี้ก็จะเป็นตัวเพิ่มความหลงให้มาขึ้นก็ได้นะถ้าไม่ระวังหรือบางทีก็ไม่ใช่ไม่ใช่หลงในในแง่ที่ว่าลืมตัวแต่ไปหลงอีกแบบหนึง่ง คือหลงว่ายกมือเท่านั้นถึงเรียกว่าปฏิบัตินะถ้าไม่ยกมือหรือถ้าไม่ทำในรูปแบบนี้ก็ไม่ปฏิบัติอันนี้ก็เป็นความหลองอีกแบบหนึ่งนะแล้วพอเห็นคนไม่ปฏิบัติในรูปแบบก็ไปว่าเขาไปทักเขาว่าทาไมไม่ปฏิบัติอย่างเวลาก็ฟังทำฟังเทศนะก็จะมีบางคนยกมือแต่บางคนไม่ยกมือ ไอคนที่ไม่ไอคนที่ยกมือก็จะไปทักหรือไปไปทวงว่าทำไมไม่ยกมือนะคือเพราะที่ทักทวงนี้พราะคิดว่าการยกมือคือการปฏิบัติถ้าคนไหนฟังโดยไม่ยกมือแสดงว่าไม่ปฏิบัติอันนี้ก็เห็นอยู่นะมีความแบบนี้ก็เป็นหลายคนนะซึ่งแสดงว่าถึงความไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติมันไม่ได้อยู่ที่ยกมือ ก็จะมีสติกับการฟังก็ได้นะเจริญสตินี่มันหมายความว่าทำอะไรก็ให้มีสตินะไม่ใช่ว่าจะต้องยกมืออย่างเดียวนะระหว่างที่ระหว่างที่ฟังก็มีสติได้และการที่มีสติกการฟังก็เป็นการปฏิบัติแม้แต่การคุยนะการคุยก็คุยอย่างมีสติคุยด้วยความรู้สึกตัวได้นะถ้าคุยแบบไม่มีสติไปไงคุยแบบ ฟุ้งกันนะยิ่งคุยยิ่งมันนะหลายคนนี่พอได้คุยแล้วมันมากเลยลืมตัวคุยฟุ้งไม่หมดอันนี้ไม่มีสติแล้วนะหยุดไม่ได้นะอันนี้เราก็ต้องให้มีความสึกตัวกันเวลาพูดเวลาคุยก็ให้มีความมสึกตัววิจากกตัดอยู่แล้วนะในไกด์ลูกสนาเนนะี่ยว่าให้ทาความสึกตัวนะเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มเวลา เดินยืนนั่งนะหรือว่าการเวลาพูดหรือเวลานิ่งนะนิ่งนี่ก็จะหมายถฟังไม่ได้ฟังก็ฟังมีสติไม่ใช่ใจลอยนะหรือว่าฟังแล้วเกิดอารมณ์นะฟังแล้วเกิดอารมณ์ตามตามคนพูดหรือเกิดอารมณ์ต่อต้านคนพูดเพราะคนพูดนี่พูดไม่ถูกใจหรือว่าเขากําลังตําหนิตอบว่าเราก็โกรธนะ กรแล้วก็เลยไม่รู้เขาพูดอะไรแล้วนะเพราะส่วนนี้ก็พูดมันขัดอกขัดใจอันนี้ก็ไม่มีสตินะ <c oughs> นะหรือว่าเขาพูดบางประโยคบางาค่อยําก็เราก็สะดุดก็ไปติดอยู่ตรงนั้นแหละอาจจะกําลังใคร่ครวญอยู่หรือว่าเกิดความขัดใจกับขอบคำพูดบางอย่างเ <c oughs> ขาพูดไปไกลแล้วนะพูดไปหลายย่อนหน้าแล้วนะแต่ว่าใจเรายังอยู่ติดอยู่ตรงนี้แหละ อันนี้ก็เลยว่าไม่มีสตินะเพราะสติคือการตามรู้อยู่กับปัจจุบันนะเขาเวลาฟังฟังอยู่มีสติคือ น, นี่แหละนะคือว่าฟังายใจก็ตามไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ลืมตัวนะบางคนกลัวลืมตัวก็เลยยกมือสร้างจังหวะนี้ก็ได้อยู่หรือว่าพริกมือไปพลิกมือมาก็ได้อยู่แต่เข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยปัจจุบันธรรมเนี่ยคือเสียงพูดเสียงบรรยายก็ให้รู้ทัน นะก็รู้เลยที่ไม่ลืมตัวแต่ก็ไม่แปลว่าต้องยกมือด้วยนะถึงจะเราเป็นการปฏิบัติอนะถ้าไปทักคนหนึ่งว่าเขาไม่ยกมือนะะว่าทําไมไม่ไม่ปฏิบัติแล้วก็อันนี้แสดงว่าไม่รู้ว่าการปฏิบัติคืออะไรแล้วยิ่งถ้าพูดด้วยความต้องการยกตนข่มท่านนี่ก็แสดงว่าตอนนั้นไม่ได้ปฏิบัติแล้วตอนนั้นเนี่ยมันหลงแล้วนะหลงในความหลงใน หลงในกิเลสเนี่ยอยากจะโชว่วาฉันรู้หรือว่าฉันปฏิบัติเวลาใครบางคนทักวันเนี่ยนี่เธอไม่ปฏิบัติเลยเนี่ยตอนนั้นคนพูดเนี่ยกำลังไม่ปฏิบัติเนี่ยคนพูดคนทักนี่แหละที่ไม่ปฏิบัติเพราะว่าไม่รู้ทันไอ้กิเลสที่มันครอบงำกิเลสที่มันอยากจะโชว่อยากจะแสดงว่าฉันปฏิบัติเว้ย นะกูปฏิบัติวดนะมือไม่ปฏิบัติเนี่ยตัวนี้มันจะเรียกว่าปฏิบัติได้อย่างไงนะปฏิบัติมันมันไม่อยู่ที่การไม่อยูที่รูปแบบแต่มันอยู่ที่ท่าทีต่อผู้อื่นด้วยถ้ามีท่าทียกตัขงขมท่านก็ไม่เรียกปฏิบัติหรือถ้ามีความโกรธมันก็ไม่ใช่ปฏิบัตินะไปตําหนิคนว่าไม่ปฏิบัติเนี่ยนะแต่ ท, ทําด้วยความโกรธนะอันนั่นแหละคนพูนนั่นแหละที่ไม่ปฏิบัตินะ เรความการการปฏิบัติเนี่ยมันไอการไอเรื่องรู้กับหลงนี่ต้องระวังทีเดียว น, นะเพราะว่าแม้กระทั่งคนที่คิดว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยอาจจะถูกความหลงครอมงำม็ได้มันเป็นเรื่องของเป็นความชานฉลาดของกิเลสและความหลงนะที่มันมันจะพร้อมจะมาจู่โจมเราหรือพร้อมจะยิดครองจิตใจเราได้ทุกเวลาเนี่ยนั้นจึงเผลอไม่ได้ประมาทไม่ได้เลย จึงบอกว่าชีวิตนิ่งบาก็ไปแล้วคือการต่อสื้ลอลวงรู้กับหลงนะและหลงนี่ก็พยายามเข้ามาหาโอกาสเข้ามาเล่นงานตลอดเวลานะเวลาเวลาได้ยินคําต่อว่าคําตำหนิติดเตียนหรือคําท้วงติงเนี่ยความหลงก็เตรียมเตรียมฉวโอกาสเข้ามาตอนนั้นเลย ดูเวลาได้กินอาหารอร่อยได้ฟังเพลงเพราะความหลวงก็เตรียมเข้ามาพร้อมจะกระโดดเข้ามาตอนนั้นมันหาอากาศตลอดเวลาเนี่มันหาอกาศตลอดเวล า, นะ า, า, ลวลาและยิ่งถ้าเกิดว่าเจอนะีเจออุปสรรคนะเจอความล้มเหลวเนี่ยโอยความหลงได้สบายเลยมันก็เข้ามาครอบงำเราก็ท้อทแท้นะเจออุปสรรคทอดแท้ เวลาเงินหายของหายความหลงก็เข้ามาตอนนั้นแหละมันพร้อมอยู่ตลอดเวลามันเรื่องมันคอยจับจ้องนะเผลอไม่ได้อะไรเกิดขึ้นกับเรานี่ถ้าไม่รู้ทันไม่ระวังเนี่ยไม่มีสติมันเข้ามาเลยแล้วก็รอนะรอร อ, อตอนเราเจ็บเราป่วยนะไอ้ตอนนั้นแหละนี่ความหลงจะเข้ามานะพอป่วยก็โอ้ยตีโฟย ต, ตีพายทำไมต้องเป็นชั้น ไม่้อพูดถึงความตายนะตอนตายนี่มันมันมันกาเข้ามาถล่มเต็มที่เลยนะตอนใกล้ตายนี่ท้่ส่วนใหญ่ก็แพ้เนะี่ยพอจะตายแล้วก็หลงเนี่ยหลงนะงนะแต่เพืว่าจะรู้ตัวนะตลอดเวลาอย่างครูบาอาจารย์หรืออย่างหลวงพ่อนี่น่ยากนะส่วนใหญ่ก็หนะลวงพ่อเรียกว่ารู้ตลอดเวลาตั้งกาตลอดเวลาไม่เผลอ แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะในเมื่อเหตุการณ์เล็กๆน้อยยังหลงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเวลาป่วยเวลาตายมันก็หลงมาไปใหญ่นั่นถ้าเรามองทิ้งนี่ว่าความความก้าวหน้าของชีวิตเนี่ยความเจริญงอกงามเชื่อคือการที่รู้มากก็หลงแล้วก็รู้เรื่อยๆรู้เรื่อยๆนะต้องคอยระวังไม่ให้หลงนี่เข้ามานะไม่ว่าทําอะไรก็ทํำด้วยความรู้ไม่หลง เจออะไรก็รับมือกับม่ได้ความรู้หรือตัวรู้ไม่ใช่ตัวหลงโนะดยเพราะเวลาใครก็จะเวลาใครเขาตําหนิเราทักท้วงเราหรือไม่แต่วิจารเราตอนนี้เตรียมตัวเลยเตรียมตัวรักษาใจตั้งการไม่ให้หลงเข้ามาเล่นงานนอกปฏิบัตินี่เวลาปฏิบัติยกมือสร้างจังหวะ น, นี่อก็เก่งนะ ทำตลอดเวลาแต่พอเจอคาพูดที่มากระทบเนี่ยก็ปล่อยกาดเลยนะปล่อยเลยปล่อยใจนะไม่ระมัดระวังเลยปล่อยให้ความหลงเข้ามาคือความโกรธโกรธนะเขาว่าเราเขาเขาไม่แค่แค่ท้วงแค่ทักนี่ก็โกรธแล้วไม่พอใจเพราะมันกระทบอีกโกว่า ก, กูเก่งกูแน่ อันนี้เรียกว่าปฏิบัติในรูปแบบแต่ว่าไม่ค่อยท่าเวลาเวลาเวลาเจอกับเหตุการณ์ต่างๆเวลาเจอผัสสะส่วนใหญ่ก็ก็พลาดตอนเจอผัสสะเวลาใครใครชมเราก็เลิศนะก็ปลืมนะอันนี้นก็เรียกว่าหลงเหมือนกันนะ ถ้าไปเป็นเงี้ยมันก็ก็โดนความหลงมันมันเล่นงานกดขี่หรือว่าขี่คออยู่ล่ำไปนันต้องฝึกนะฝึกให้ไม่ใช่เวลาไม่ใช่ขยันปฏิบัติในรูปแบบนะแต่ว่าปล่อยใจนะไม่ตั้งกาดนะเวลาเจอผัสสะนะไม่ว่าใครชมหรือว่าใครตำหนิก็ตั้งกาดเอาไว้คือระวังตัวระวังใจเอาไว้ ให้รู้มันอยู่นะไม่ใช่ให้หลงมันเข้ามาเล่นงานให้เราหลักว่าความความความความหลงที่มันเฉลยโอกาสมาที่หลวง่างเขียนท่านก็ก็เตือนนะว่านักปฏิบัติเนี่ยต้องรู้จักเป็นนักเฉลยโอกาสนะอย่าให้อย่าให้หลงมันเฉลยโอกาสเนี่ยต้องให้รู้เนี่ยคอยเฉลยโอกาสด้วยฉลยโอกาสยังไงก็คือว่าใช่ทุกเหตุการณ์ใช้ทุก สถานการณ์เป็นการฝึกสติอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใช้ไม้ใช้ใช้ใช้อุบายเดียวกันกันกบตัวหลงตัวหลงนี่มันคอยมาเล่นงานเราตอนเจอผัสสนะเราก็ต้องใช้ใช้ทุกภาษาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการฝึกสติใครก็ต่อว่าเราใค ร, ใครเขอตําหนิงเราก็ให้ถือว่านี่แหละเป็นโอกาสในการฝึกสติว่าเราจะ เราจะรู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าถ้ามันเกิดขึ้นก็ดูมันซะนะสติปัฏฐานสี่นี่ก็คือการเอาเอาทุกอารมณ์เนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกสติไม่ว่าจะเป็นราคาโทสะนะจิตตามลูกปศนาเนี่ยนะถ้าเราอ่านในพระสูตรวัจพ o o เนี่ยเนาจิตมีราคาก็ร่วมมีราคาจิตมีโทสะก็ว่ามีโทสะ ก็แสดงว่าราคารโทสะก็มีประโยชน์นะสามารถฝึกเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการฝึกติดตามนุปัสสนาได้นะพุทธศาสนานี่ท่านใช้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมากุศลลกุศลแม้แต่นิวรณ์ความง่วงความสงสัยก็เป็นเครื่องฝึกสตินะจะเข้าใจทําในธรรมจะเห็นธรรมในธรรมนี่ว่าทำมนุปัสสนาได้เนี่ยก็คืออะไรก็คือการการ รู้นะรู้ทำรู้ทำเนี่ยก็คือรู้นิวรณ์รู้ทันนิวรณ์รู้ว่านิวรณ์มันมีเหตุจากอะไรดับเพราะอะไรเราจะจะรู้ได้ก็ต้องให้นิวรณ์เกิดนะไม่ใช่ดาวเอาเมื่อนิวรณ์เกิดก็เป็นของดีนะทําให้เราได้เป็นวัตถุติดในการพิจารณาว่าเออเมื่อมันเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อมันมีอยู่ก็รู้มีอยู่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ว่ามันดับเพราะอะไร เห็นแม้กระทั่งว่าเออมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะมันแปลนรูปจังเห็นอย่างนี้ได้ก็เพราะก็เพราะมันเกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดขึ้นจะเห็นได้อย่างไงจะรู้ได้ยงไงอย่างไงอันนี้วานก็เป็นของดีนะนี่วาเป็นของดีเป็นเครื่องฝึกนักปฏิบัติต้องฉวยโอกาสนะอย่าปล่อยให้ความรู้มันฉวยโอกาสฝ่ายเดียวนะตัวรู้ก็ต้องฉวยโอกาสด้วยนะถ้าทำนี้มากขึ้นมากขึ้นนี่ ไม่ใช่แค่มีสติสท่าั้แต่บางทีมีปัญญาด้วยฉะนนอย่าปล่อยอย่าอย่าปล่อยให้อย่าปล่อยให้ความหลงมันเล่นงานจิตใจเราตะพื้ตัวผืนนะต้องต้องสู้ต้องเอาเอารู่นี่ไปสู้กับมันเอารู้ไปสู้กับหลงนะเหมือนกับความมืดนี่เราไม่สามารถดับความมืดได้แต่เราสามารถจะ ใช้ความสว่างนี่ไล่ความมืดนะไม่มีใครไม่มีวิธีใดที่จะไล่ความมืดได้นอกจากเปิดไฟหรือว่าจุดเทียนหรือว่าใช้ไฟสายใช้ไฟสายส่องนะเหมือนกันความหลงนี่ดับมันไม่ได้นอกจากเติมตัวรู้เข้าไปมันก็จะหลงก็จะดับเองมันลองแฉมสร้างตัวด้วยมาขึ้นเรื่อย